วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่15มีนาคมพุทธศักราช2563เป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆจึงได้ตั้งใจมาวัดเพื่อเข้าหา พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เป็นที่พึ่งทางใจที่ดีที่สุดที่เลิศที่สุดเพราะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นผู้ที่รู้วิธีที่จะบันเทาหรือกําจัดความทุกข์ต่าง ที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปพระพุทธเจ้าและพาาระอรหันตสาวกทั้งหลายท่านได้กำจัดความทุกข์ที่มีอยู่ในใจของท่านได้หมดสิ้นไปแล้วแล้วท่านก็เลยเอาวิธีที่ท่านใช้ ในการกาจัดความทุกข์ต่างๆของท่านนั้นมาเผยแผ่มาสั่งสอนให้แก่พวกเราที่ยังไม่รู้จักวิธีกำจัดความทุกข์ต่างๆเวลาที่เกิดความทุกข์ต่างๆเกิดขึ้นมาถ้าเราใช้วิธีอื่น เราจะไม่สามารถที่จะกำจัดความทุกข์ที่มีอยู่ในใจให้หมดไปได้ถ้ากำจัดได้ก็เป็นเพียงชั่วครั้งชั่วคราวแต่ความทุกข์จะไม่มีวันหมดไปจากใจของพวกเราถ้าพวกเราไม่ใช้วิธีของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พวกเราก็ ได้กำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของพวกเรามาตั้งแต่วันเกิดแล้วพอเกิดขึ้นมาเราก็ร้องไห้ด้วยความทุกข์แล้วแล้วเราก็ยังร้องไห้กันอยู่จนถึงทุกวันนี้ทั้งๆที่เราก็ได้กำจัดความทุกข์แต่ละครั้งไปพอมีความทุกข์อันใดเกิดขึ้นมา เราก็กำจัดมันด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งเช่นไปเที่ยวบ้างไปดูหนังฟังเพลงบ้างไปกินไปดื่มบ้างไปหาคนนั้นหาคนนี้บ้างหาสิ่งนั้นสิ่งนี้บ้างพอเราได้ทำความทุกข์ใจที่เกิดขึ้นในตอนนั้นมันก็ระ ง, งับไปชั่วคราว แล้วเดี๋ยวไม่นานความทุกข์ใจมันก็กลับคืนมาใหม่จนถึงปัจจุบันนี้ความทุกข์ใจที่เราคอยกำจัดกันมันก็ยังไม่หายไปจากใจเราอย่างทาวอนอย่างแท้จริงมันก็ยังกลับมาเยี่ยมเราอยู่เรื่อยๆเรยพราะเราคิดถึงมันหรือมันคิดถึงเราก็ไม่รู้แต่มัน ชอบมาหาเราอยู่เรื่อยๆเพราะว่าวิธีที่เราใช้ในการกําจัดความทุกข์นั้นไม่ได้เป็นวิธีที่จะกําจัดได้อย่างถาวรได้อย่างแท้จริงแล้วบางครั้งก็ไม่สามารถที่จะกําจัดได้ก็ต้องทนอยู่กับความทุกข์ทรมานใจ ไปเป็นเวลาอันยาวนานเลยจนกว่ามันจะหมดกำลังไปของมันเองความทุกข์ก็จะระ ง, งับไปชั่วคราวแล้วเดี๋ยวพอมันได้กำลังกลับคืนมาใหม่มันก็ออกมาแผงฤึธให้กับเราใหม่มาสร้างความทุกข์ให้กับเราใหม่ต่อไปให้อยู่เรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุด ถึงแม้เวลาที่เราตายไปร่างกายเราจะตายไปความทุกข์มันก็ยังไม่หมดเพราะความทุกข์มันไม่ได้อยู่ในร่างกายความทุกข์มันอยู่ในใจของเราที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายที่จะไปกับใจของเราต่อไปพอเรากลับมาเกิดใหม่มาได้ร่างกายอันใหม่มันก็กลับมาใหม่ พอออกจากท้องแม่ความทุกข์ก็เริ่มเกิดขึ้นทันทีออกจากท้องมาก็ต้องร้องห่มร้องไห้ต้องหายใจเองต้องหาต้องมีอะไรให้มันกินเองเมื่อก่อนอยู่ในท้องแม่นี้มีอาหารหล่อเลี้ยงนรางกายโดยอัตโนมัติไม่จำเป็นที่จะต้อง เอาอาหารเข้าทางปากไม่จาเป็นที่จะต้องเอาน้ำเข้าทางปากถ้าไม่จำเป็นจะต้องเอาลมเข้าทางจมูกเพราะตอนที่อยู่ในร่างกายนี้มีสายสะดือที่ส่งอาหารส่งน้ำส่งอากาศให้กับร่างกายแต่พอร่างกายคลอดออกมาจากท้องแม่อาหารน้ำละ อากาศที่ได้ผ่านทางสายเสือก็ก็ยุติลงก็ต้องหายใจเองพอพอออกมาตอนต้นยังไม่ได้หายใจก็รู้สึกอึดอัดขาดลมหายใจก็ลองพอลองแล้วก็มีการกระตุ้นให้แล้วให้หายใจก็ก็หยุดลองไป ความทุกข์ที่เกิดจากการขาดลมหายใจก็หายไปเดี๋ยวก็ล้องเพราะขาดน้ำหิวน้ำก็ต้องมีน้ำมาบรรเทาเดี๋ยวก็หิวอาหาราก็ต้องมีดมมาให้ดื่มมารับประทานนี่แหละคือความทุกข์ที่จะไม่มีวันหมดไม่มีวันสิ้นสุด ถ้าใจไม่ได้รับการบำบัดความทุกข์โดยวิธีที่ถูกต้องวิธีที่ถูกต้องต้องบัดบำบัดความทุกข์ที่จะทำให้ใจไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่นั่นเองถ้ายังต้องกลับมาเกิดใหม่ก็ยังจะต้องมาทุกข์กับร่างกายทุกครั้งไป ทุกตั้งแต่วันที่ออกจากท้องแม่มาออกจากท้องแม่มาก็ทุกข์กับความหิวหิวลมหิวน้ำหิวอาหารก็ต้องได้รับการเยียวยาด้วยลมด้วยน้ำด้วยอาหารอย่างต่อเนื่องวันใดเวลาใดขาดลมขาดน้ำหรือขาดอาหารขึ้นมาวันนั้นก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมา แล้วก็ต้องทำอย่างนี้ไปทุกวันทุกคืนไปจนร่างกายโตขึ้นแล้วต่อไปหลังจากที่โตแล้วก็เข้าสู่วัยชราเข้าสู่วัยชราก็ต้องเข้ากับก็เจอกับความทุกข์ของคนชาราว่าอาการของร่างกายเริ่มเจ็บตรงนั้นเริ่มปวดตรงนี้ เริ่มบกพร่องตรงนั้นเริ่มบกพร่องตรงนี้ต่าง ม, มีการเยียวยาดูแลรักษากันอย่างต่อเนื่องอ น, นี้ก็คือทุกข์ของความแก่นอกจากความแก่แล้วก็ยังมีโรคภัยไข้เจ็บต่างๆมาคอยรุมเล้าร่างกายอยู่เรื่อยๆ เ, เดี๋ยวก็มีโรคปวดหัวบ้างเดี๋ยวก็โรคปวดท้องบ้างโรคปวดกล้ามเนื้อบ้าง มีโรคอะไรต่างๆคอยเข้ามาอยู่เรื่อยๆจนกว่าจะถึงวันสิ้นสุดของชีวิตก็คือวันตายถ้าตายแล้วถ้ายังไม่ได้บำบัดความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากใจความทุกข์ก็ยังจะไม่หมดไปใจก็ยังจะไปเกิดใหม่ ต่อไปก็จะทําอย่างนี้ไปหลายหลายรอบด้วยกันการมาเกิดแก่เจ็บตายนี้ก็ถือว่าการมาเจอกับความทุกข์หนึ่งรอบแล้วพอตายไปก็กลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่อีกหนึ่งรอบรอบของการเกิดแก่เจ็บตายของพวกเรา ที่ได้ผ่านมานี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่ามันมีมากมายกายกองจนไม่สามารถที่จะนับได้ด้วยตัวเลขว่าเราได้กลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายกันกี่รอบแล้วแต่พอจะประเมินได้ด้วยการเอาน้ำตาที่เรา หลังทุกครั้งที่เรามีความทุกข์กันก็เราทุกคนคงไม่ปฏิเสธว่าไม่มีใครไม่เคยร้องไห้กันไม่มีใครเคยหลังน้ำตากันการร้องไห้การหลังน้ำตาก็เป็นผลของการมีความทุกข์ทางใจนั่นเองเมื่อเราหลังน้ำตาเมื่อเราทุกเราก็หลังน้ำตากัน เวลาเราแก่เราก็หล well, <c oughs> <c oughs> ั a, a, <ar> ่งน <c oughs> <c oughs> <c oughs> um ้ำตาเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็หลั่งน้ำตาเวลาที่เราสูญเสียพัดภาคจากสิ่งที่เรารักจากบุคคลที่เรารักเราก็หลั่งน้ำตากันเวลาที่เราผิดหวังเราก็หลั่งน้ำตากันน้ำตาที่เราหลั่งในแต่ละพบแต่ละชาติที่เรามาเกิดกันนี้ถ้าเราเอามารวมกันแล้ว พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่ามันมีมากยิ่งกว่าน้ําในมหาสมุทรนะเคิดดูซิว่าชาตินี้เราหลั่งน้ําตากันถึงกระติกน้ําถึงขวดน้ำไหมน้ําที่เราเดิมทั้งขวดนี้เรามีน้ําตามากถึงขวดหนึ่งไหมก็คิดดูแล้วกว่าจะมีน้ําตามากยิ่งกว่าน้ําในมหาสมุทรเนี่ย จะต้องกลับมาเกิดมาหลังน้ำตากันกี่รอบกันถึงจะได้น้ำตามากยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทรน่าแหละคือปริมาณของของการเวียนว่ายตายเกิดของพวกเราของการมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายของพวกเรามีมากขนาดนั้นมากยิ่งกว่าน้ำตามากยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทร น้ำตาที่เราหลั่งกันมาแล้วมากยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทรแล้วก็จะหลั่งต่อไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดถ้าเราไม่ได้มาใช้วิธีแก้ปัญหามาแก้ความทุกข์ใจของพวกเราด้วยวิธีที่พระพุทธเจ้าได้ส่งใช้ได้ส่งแก้แก่พระไถยของพระองค์เอง แลคือความวิเศษความประเสริฐความสําคัญของพระรัตนตรัยของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ของพระสารณะไตรสรณะคือที่พึ่งทางใจของพวกเราถ้าเราได้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นที่พึ่งของเราเราจะได้ยุติ การกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอย่างไม่มีวันสิ้นสุด น, ะน้ำตาที่เราเคยหลั่งมากน้อยเพียงไรก็จะสิ้นสุดลงความทุกข์ต่างๆที่เรามีกันอยู่ในขณะนี้ก็จะหมดไปถ้าเราเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ศึกษาจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ วิธีที่จะบําบัดความทุกข์ทางใจของพวกเราให้มันหมดสิ้นไปได้อย่างไรพอได้เรียนรู้แล้วเราก็น้อมนําเอาไปปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วผลก็คือความดับของความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจก็จะหมดสิ้นไปนี่คือขั้นตอนของการ ยึดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นที่พึ่งทางใจยึดโดยการศึกษาลร่มเรียนคำสั่งคำสอนเมื่อเรียนแล้วก็ให้เอาคำรู้ที่ได้เรียนรู้นี้ไปปฏิบัติไม่ใช่เอาไปสั่งสอนผู้อื่นเพราะว่าความรู้ที่ได้เรียนรู้มานี้ยังเป็นความรู้ที่ไม่สมบูรณ์ ที่ยังไม่สามารถที่จะเอาไปใช้ในการกําจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปได้ต้องเอาความรู้ที่เกิดจากการปฏิบัติไปสอนผู้อื่นการจะได้ความรู้จากการปฏิบัติก็ต้องนําเอาความรู้ที่ได้ศึกษาจากพระพุทธจากพระธรรมหรือจากพระสงฆ์ไปปฏิบัตินะครับ เมื่อเราได้ปฏิบัติแล้วเราก็จะได้รู้แจ้งเห็นชัดวิธีการกำจัดความทุกข์ที่ถูกต้องว่าเป็นอย่างไรเพราะการกำจัดความทุกข์นี้ถ้าไม่ได้ศึกษาวิธีที่ถูกต้องและไม่ได้ปฏิบัติตามวิธีที่ถูกต้องความทุกข์มันก็จะไม่ดับไปได้แล้วการจะรู้ว่าวิธีที่ถูกต้องนั้นเป็นอย่างไร ความทุกข์ที่ถูกความทุกข์ที่จะดับได้นั้นเป็นอย่างไรก็ต้องเกิดจากการพิสูจน์ด้วยการปฏิบัตินั่นเองธรรมะของพระทเจ้าท่านบอกว่าเป็นสันติโกเป็นธรรมที่ผู้ที่ผู้ปฏิบัติจะเพ่งรู้ได้ด้วยตนเองผู้ศึกษานี้ยังไม่รู้ยังรู้ไม่ได้จากการศึกษา เพราะว่ายัางไม่ได้นําเอาไปทดลองนั่นเองถ้าเปรียบเทียบก็เป็นเหมือนยายาที่เราได้รับมาจากหมอเวลาเราไม่สบายถ้าเรารับยามาแล้วเราไม่ได้เอามารับประทานเราก็จะไม่รู้ว่ายาที่หมอให้มานี้ถูกกับโรคของเราหรือไม่ ทำให้โรคภัยไข้เจ็บที่เรามีอยู่นี้หายไปได้หรือไม่เราก็จะไม่สามารถไปบอกผู้อื่นได้อย่างเต็มปากว่ารับประทานยานี้เราจะหายจากโลกนี้นะอาจจะไม่หายก็ได้เผื่อหมอสั่งยาผิดมาให้หรือหมอสั่งยาถูกแต่คนจัดยาไปจัดยาผิดมาให้คนจัดยาบางทีตาลายหมอเขียนยาชื่อนี้ ไปหยิบยาอย่างชื่อหนึ่งมาให้พอคนไข้เอาไปกินไม่หายกับโรค ก, กับคําเริบขึ้นมาก็ได้แต่คนไข้จะไม่รู้ว่ายานี้ถูกหรือผิดถ้าคนไข้ไม่นําเอาไปรับประทานถ้ารับประทานแล้วเกิดโรคซ้ําซ้อนขึ้นมาเกิดอาการมากขึ้นกว่าเดิมก็จะได้กลับมาหาหมอนะ แล้วเอายาที่หมอให้ไปหมอเนี่ยยาที่หมอให้มาเนี่ยทำไมกินแล้วมันกลับแย่ลงหมอดูเข้าอ้าวมันไม่ใช่ยาที่เราสั่งนี่วะใช่ไหมก็เลยต้องไปไล่เบีย้ยที่คนจ่ายยาเอ้ยทำไมเอายานี้ให้กับคนไข้เราสั่งยาแบบนี้ เ, เขาบอกว่าผมตาลายไปผมเมื่อคืนนี้นอนไม่ค่อยหลับนอนไม่ค่อยพอ ในเวลามาทํางานมันเลยรู้สึกเสลมเสลออ่านผิดอ่านถูกขออภัยด้วยครับเนี่ยขออภยัยดีคนใข้ไม่ตายขออภยัยอันนี้ก็เหมือนกันธรรมะที่เราไปเรียนรู้เนี่ยเราไปเรียนรู้จากใครเราก็ไม่รู้บางทีเราไม่รู้ว่าคนที่สอนเราเขารู้จริงหรือไม่รู้จริงอย่างนี้ถ้าก็เป็นคนที่เรียนมาแต่เขาไม่ได้เปิดพิสูจน์เนี่ย เขาก็ไม่รู้อีกว่าคําที่คําสอนที่เขาสอนนี่เอาไปใช้ดับความทุกข์ได้หรือเปล่าพอเราเอามาเราก็ไม่มาใช้ดับความทุกข์กับเราเองเพราะตอนนี้เรายังไม่มีความทุกข์เราก็เลยเอาไปสอนคนอื่นต่อเอาไปบอกคนอื่นต่อว่าถ้ามีความทุกข์ให้ทําอย่างนี้ทําอย่างนี้นะคนที่มาเรียนจากเราเขาก็ยังไม่มีความทุกข์เขาก็ยังไม่เกิดเอาไปใช้ แต่เขาก็ไปสอนก่อนเองละ่ะไปสอนคนอื่นต่อมันก็เลยมีแต่คนรู้รู้รู้วิธีแต่ไม่มีใครรู้ว่าวิธีนี้ถูกหรือไม่ดับความทุกข์ได้หรือไม่นี่ไม่ใช่วิธีที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ชาวพุทธเราปฏิบัติกันนะพระพุทธเจ้าท่านสอนขั้นตอนอยู่สี่ขั้นตอนด้วยกันในการบำบัดความทุกข์นี่ ขั้นตอนที่หนึ่งท่านบอกให้ศึกษาเรียกว่าปริยัติธรรมคือการศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อได้ศึกษาแล้วก็ให้นำเอาไปปฏิบัติไปพิสูจน์ว่าคำสอนที่เราได้ศึกษามานี้ถูกต้องหรือไม่เพราะคำสอนเดี๋ยวนี้มันมาม า, มาจากหลายแหล่งด้วยกันมาจากแหล่งที่ถูกก็มีแหล่งที่ไม่ถูกก็มี ถ้าเกิดเราไปศึกษาจากแหล่งที่ไม่ถูกเข้าเราก็อาจจะไม่ได้ความรู้ที่ถูกต้องในการมากำจัดความทุกข์ก็ได้ถ้าเราไม่ไปปฏิบัติเราจะไม่รู้เราต้องปฏิบัติต้องพิสูจน์ ด, ดูถ้าปฏิบัติแล้วความทุกข์ไม่ดับก็แสดงว่าอาจจะไม่ใช่ก็ได้ เราต้องกลับไปหาแหล่งที่ถูกต้องแหล่งที่ถูกต้องที่จะสอนวิธีดับความทุกข์ให้กับเราได้อย่างถูกต้องนั้นก็คือถ้ามีพระพุทธถ้าพระพุทธเจ้ายังอยู่ก็ต้องไปหาพระพุทธเจ้าเลยถ้าพระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วพระพุทธเจ้าบอกว่าไปหาพระธรรมคำสอนของเราที่เราได้สั่งสอนเอาไว้และได้มีการจดบันทึกเอาไว้ในพระไตรปิฎก ไปค้นหาในพระไตรปิฎกดูว่าวิธีปฏิบัติเพื่อดับความทุกข์มีอะไรแล้วนำเอาไปปฏิบัติดูหรือถ้าไม่ไ ม, ไม่ไม่มีพระไตรปิฎกแต่มีครูบาอาจารย์มีพระอาหารหันตสาวกก็ไปศึกษาจากท่านได้แล้วนําเอาไปพิสูจน์ต่อไปนะเมื่อเราเอาไปปฏิบัติ ถ้าความรู้ที่เราได้มาเป็นความรู้ที่ถูกต้องผลก็จะเกิดขึ้นมาคือขั้นที่สามปฏิเวชก็ถึงจะเกิดขึ้นมาอ้อปฏิบัติอย่างนี้เวลาเกิดความทุกข์ความทุกข์ดับไปได้อย่างจริงจงัอย่างจริงๆรงก็จะไม่มีความสงสัยในพระพุทธในพระธรรมในพระอริยสงสาวกุก เนี่ยพอรู้แล้วทีนี้ก็มั่นใจในคำสอนคำสอนมั่นใจในวิธีการปฏิบัติที่ที่ถูกต้องว่าปฏิบัติอย่างไรถึงเรียกว่าปฏิบัติถูกต้องปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติอย่างไรก็ปฏิบัติเพื่อให้มันดับความทุกข์ได้นั่นเองถ้าปฏิบัติแล้วดับความทุกข์ไม่ได้จะไปเรียกว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้อย่างไรนะคนะ พอรู้แล้วพอได้บรรลุแล้วได้ดับความทุกข์ที่เกิดจากการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วทีนี้ก็มีความมั่นใจร้อยเปอร์เซนที่จะเอาความรู้ที่ทได้ศึกษามาที่ได้มาพิสูจน์ด้วยการปฏิบัติว่าเป็นความรู้ที่ถูกต้องที่สามารถสอนให้ผู้อื่นนําเอาไปใช้ในการบําบัดความทุกข์ได้อย่างแน่นอน เหมือนกับเวลาที่เราได้รับยาจากหมอมาแล้วเราก็รับประทานยาที่หมอให้มาพอรับประทานไปตามที่หมอสั่งไม่นานโาครคภัยไข้เจ็บที่เป็นอยู่ก็หายขาดทีนี้เราก็มั่นใจได้แล้วว่าถ้าเราเป็นโรคนี้อีกโรคเหมือนกันอีกเราไม่ต้องไปหาหมอก็ได้เราไปหายาชนิดนี้มากิน มันก็จะทำให้โรคภัยไายเจ็บหายได้ถ้าคนอื่นเป็นโรคเหมือนกับเราเราก็แนะนำยาชนิดนี้ให้กับเขาได้อย่างอย่างมั่นใจร้อยเปอร์เซนต์ว่าแล้วประทานแล้วจะต้องหายได้อย่างอย่างแน่นอนนี่คือกระบวนการของการที่เราจะใช้ในการมาบำบัดความทุกข์ ทางใจของพวกเราให้หมดสิ้นไปต้องอาศัยการสั่งสอนของพระพุทธเจ้าหรือของพระอริยสงฆ์โดยเอาคำสอนที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนมามาศึกษามาปฏิบัติจน สามารถกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดไปได้แล้ว응ก็ถึงจะสามารถเอาไปสั่งสอนผู้อื่นได้อีกทอดหนึ่ง응ในเบื้องต้นเราต้องพิสูจน์ก่อนพิสูจน์ว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านี้สามารถกำจัดความทุกข์ได้อย่างแท้จริงหรือไม่สามารถยุติการมาเกิดแก่เจ็บตายได้หรือไม่ เพราะถ้าตาบใดเรายังไม่สามารถยุติการเกิดแก่เจ็บตายได้เราจะไม่สามารถพูดได้ว่าเราได้กำจัดความทุกข์ได้อย่างถาวารแล้วเพราะตาบใดยังมีการมาเกิดอยู่ก็ยังต้องมีการทุกข์กับการเกิดแก่เจ็บตายอยู่นั่ไปเพราะทุกข์ย่อมไม่มีกับผู้ที่ไม่เกิดเท่านั้น ถ้าไม่มีการเกิดแล้วจะเอาความทุกข์มาจากที่ไหนจะามาทุกข์จากความเกิดก็ไม่มีไม่มีร่างกายมาเกิดไม่มีร่างกายมาแก่ไม่มีร่างกายมาเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีร่างกายมาตายนี่แหละวิธีที่จะบำบัดกาจัดความทุกข์ให้มันหมดสิ้นไปอย่างราบคาบอย่างไม่มีวันฟื้นกลับคืนมาได้อีกนี่ ต้องกำจัดด้วยการยุติการมาเกิดกันถ้ายังมีการมาเกิดอยู่ก็ยังต้องมีความทุกข์ตามมาเสมอทุกข์ที่เกิดจากความแก่ทุกข์ที่เกิดจากความเจ็บไข้ได้ป่วยทุกข์ที่เกิดจากความตายทุกข์ที่เกิดจากการพัดพรากจากสิ่งต่างๆจากบุคคลต่างๆที่เรารักที่เราชอบกัน ดังนั้นเราต้องมาศึกษาว่าแล้วเราจะทำอย่างไรถึงจะทำให้เราไม่มาเกิดกันพระพุทธเจ้าก็ทรงรู้สาเหตุที่พาให้พวกเรามาเกิดกันว่าเกิดจากอะไรเหตุที่ดึงจิตใจของพวกเราให้กลับมาเกิดในไตรภพภพที่เราอยู่นี้เป็นหนึ่งส่วนของไตรภพ นอกจากโลกของมนุษย์แล้วยังมีโลกของสัตว์เดราฉานที่เราเห็นกันอยู่แล้วก็มีโลกของพวกกายทิพย์ร่างทิพย์ที่เรามองไม่เห็นด้วยตาของร่างกายโลกของเทวดาโลกของพรหมโลกของเปรตโลกของอสุรกายโลกของสัตว์นรกเนี่ยเป็นเป็นดวงวิญญาณเป็นจิตใจเหมือนกับของพวกเรา ต่างกันตรงที่ว่าจิตใจของเขากับของเราอยู่ในคนและระดับกันตอนนี้จิตใจของเราอยู่ในระดับไหนจิตใจของเราอยู่ในระดับของมนุษย์นะแล้วมนุษย์นี่อยู่ในระดับไหนในบรรดาของจิตใจทั้งหมดที่เวียนว่ายตายเกิดในใตยภพนะก็จิตใจของมนุษย์นี่อยู่ในระดับกลางไม่สูงไม่ต่ะ เรียกว่าอยู่ตรงกลางถ้าต่ําลงไปก็เรียกว่าทุกขติหรืออบายถ้าสูงขึ้นไปก็เรียกว่าสุ ข, ขติหรือสวรรค์นะจิตใจของพวกเรานี้แหละที่มีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอะไรที่ทําให้จิตใจของพวกเราเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบางทีก็ส่งให้จิตใจเราสูงขึ้น บางทีก็เดึงจิตใจให้เราต่ําลงพระพุทธเจ้าก็ทรงรู้เองว่าสิ่งที่ทําให้จิตใจเราสูงขึ้นหรือต่ําลงก็คือบุญหรือบาปที่เราทํากันนี้เองเวลาเราทําบุญเราก็จะส่งจิตให้สูงขึ้นจากมนุษย์ให้ขึ้นไปเป็นเทวดาไปเป็นพรหมไปเป็นพระอริยบุคคลถ้าเราทําบาปมันก็จะดึงให้เราลงต่ํา จากมนุษย์ให้ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเป็นเปรตเป็นปนสุลกายไปตกนรกและพอบุญหรือบาปที่เราได้ทำส่งให้เราขึ้นหรือลงแล้วพอมันมันสำเร็จประโยชน์แล้วคือมันมันหมดกาลังลงแล้วบุญหรือบาปหมดกาลังที่จะเดินเราขึ้นหรือส่งให้เราลงจิตของเราก็จะกลับมาอยู่ตรงกลางกงกลางใหม่ มาเกิดใหม่มาได้น่างกายของมนุษย์ใหม่เพราะอะไรเรายังกลับมาเกิดอยู่ mm hmm. ก็เพราะเราจิตใจ ย, ยังมีความอยากอยู่ความอยากที่พาให้เรากลับมาเกิดกันความอยากที่พาให้เรามาเกิดกันก็มีอยู่สามชนิดด้วยกันชนิดแรกเรียกว่ากามตัณหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสความอยากนี้จะดึงให้เรากลับมาเกิด ในกามาพบะกามาพบก็คือพบของผู้ที่เสพกามในแก่มนุษย์ เ, เทวดาหรือสัตว์เลี้านหรือเปรตหรืออสุรลกายหรือนรกเนี่ยนี่เป็นพบของพวกที่เสพกามกามคืออะไรก็คือรูปเสียงกลิ่นรสผพัธุ์นั่นเองเสพได้สองแบบเสพแบบ เสพด้วยกายหยาบคือกายของร่างกายหรือกายของมนุษย์และเสพได้ด้วยกายละเอียดคือเสพได้ด้วยดวงวิญญาณพวกเทวดานี้เขาไม่มีกายหยาบเขามีกายละเอียดคือกายทิพย์อย่างเดียวเขาก็เสพรูปทิพย์เสียงทิพย์กลิ่นทิพย์ไปพวกสัตว์พวกพวกเปรตพวกอาศุลกายพวกนัลล ก, ก็เหมือนกันเขาก็เสพ รูปทิพย์เสียงทิพย์กลิ่นทิพย์แต่เป็นรูปทิพย์เสียงทิพย์ที่มีแต่ความทุกข์เห็นรูปก็ทุกข์ได้ยินเสียงก็ทุกข์สมัมผัสแต่ความทุกข์ของรูปเสียงกลิ่นลดเพราะบาปเป็นผู้ผลิตความทุกข์เหล่านี้ให้กับเขาได้เสพนั่นเองนี่คือผู้ที่จะกลับมาเกิดในกามมาพบก็คือผู้ที่เสพกาม แล้วสาเหตุที่กลับมาเกิดก็เพราะมีความอยากเสพกามคือมีกามตัณหาส่วนอีกพวกหนึ่งนี้ก็ไปเกิดในอีกภพหนึ่งอีกไตภพนี้มีอยู่สามภพนอกจากกามภพแล้วก็มีรูปภพและอรูปภพนะรูปภพนี้เป็นที่ไปของพวกที่ไม่เสพกามแต่เสพรูปฌานแทน พวกที่มาบวชกันพวกที่เป็นนักบวชกันนี่เขาจะไม่ไปหาความสุขเหมือนกับพวกที่ไม่ได้บวชนะพวกที่ไม่ได้บวชคือพวกผู้ครองเรือนก็จะไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆแต่พวกที่มาบวชนี้เขาก็จะไปหาความสุขจากการนั่งสมาธิจากการเข้าฌานฌานก็มีสอง ชนิดด้วยกันรูปประจานกับอรูปประจานถ้าได้รูปประจานก็เวลาร่างกายตายไปก็จะไปเกิดในรูปปภพภพของพมที่มีรูปเรียกว่ารูปภพส่วนพวกที่เข้าสมาธิในระดับอรูปประจานได้พวกนี้ดวงวิญญาณของเขาก็จะไปเกิดในอรูปภพไปเป็นอรูปภปพ แต่ไม่ว่าจะไปเกิดในภพไหนมันก็มีความเสื่อมเพราะตายภพนี้มีตายลับเป็นเป็นกฎบังคับอยูอ่ไม่ว่าจะไปเกิดในรูปภพหรือรูปภพหรือเกิดเป็นเทวดาในกามรมาพบหรือเกิดเป็นเปรตในในกามรมาพบเดี๋ยวมันก็หมดวาระของมันมันเสื่อมลงแล้วมันก็จะ ทำให้จิตหรือดวงวิญญาณนี้กลับมาเป็นมนุษย์ใหม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่พวกที่พอมาเกิดเป็นมนุษย์พวกที่ชอบเสพกามก็จะไปเสพกามกันพวกที่ชอบเสปรูปประชานก็จะไปเสพรูปปัจจานพวกที่ชอบอารูปประชานก็จะกลับไปเสปอารูปปานกันนี่แหละคือการเวียนว่ายตายเกิด ไม่ว่าจะไปเกิดในพบไหนก็ตามพการมาพบรูปพบหรืออารมณ์พบไม่ช้าก็เร็วก็ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์กันพอมาเป็นมนุษย์ก็ต้องมาทุกกับการเป็นมนุษย์กันต้องมาทุกกับความแก่ความเจ็บความตายกันนพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าต้องการที่จะยุติการกลับมาเกิดในตายพบนี้ก็ต้องมาหยุดความอยากทั้งสามนี้หยุด กามตัณหาความอยากเสพกามหยุดวิภวะหยุดภาวะตัณหาความอยากเสพฌานจากความอยากเสพรูปฌานแล้วก็หยุดวิภาวะตัณหาความอยากจะเสปรูปฌานเท่านั้นถึงจะทําทให้การกลับมาเกิดไม่มีอีกต่อไปและอะไรที่จะเป็นเครื่องมือในการที่จะมาหยุด การกลับมาเกิดในไตพบหยุดกามตาตนาภาวะตันหาและวิภาวะตันหาเครื่องมือก็คือการภาวนานี้เรียกว่าการทาใจให้สงบสมถภาวนาพอได้สมถภาวนาแล้วก็ไปสู่ขั้นวิปัสนาภาวนาต่อไปเพื่อสอนใจให้เห็น เหตุที่พาให้มาเกิดนี้คือตัณหาทั้งสามกา마ตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาและเหตุที่จะทําให้ไม่มาเกิดในไตรภพก็ต้องเห็นทุก์ในไตรภพนั่นเองต้องเห็นว่าการมาเกิดไม่ว่าจะเกิดในภพไหนก็ตามจะต้องเจอกับความทุกข์พอไม่ช้าก็เร็วจะต้องกลับมาเกิดใหม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์กันใหม่ เมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์ก็ต้องมาเจอความแก่ความเจ็บความตายกันใหม่นั่นเองแต่ถ้าเห็นด้วยปัญญาว่าการกลับมาเกิดเป็นมนุษย์นี่เป็นทุกข์และถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์กลับมาแก่มาเจ็บมาตายมาสร้างบุญสร้างบาปก็ต้องหยุดความอยาก ถ้าตอนนี้ยังเสพกามอยู่ก็ต้องหยุดการเสพกามในเบื้องขั้นที่หนึ่งถ้าเลิกเสพกา ร, รได้แล้วไปเสพรูปปัจจานก็ต้องเลิกเสพรูปปัจจานต่อไปถึงจะสามารถทําให้ไม่ต้องกลับมาเกิดได้ถ้าเสพรูปปัจจานก็ต้องเลิกเสพรูปปัจจานก็ต้องเห็นว่ารูปปัจจานก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา รารูปประชานก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาการมาสุขก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาต้องเลิกเสพความสุขทั้งสามรูปแบบนี้ความสุขที่ได้จากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสผดตภะต้องเลิกความสุขที่ไดจากการเสบรูปประชานก็ต้องเลิกความสุขที่ได้จากการเสอรูปประชานก็ต้องเลิก พอเลิกได้แล้วทีนี้ก็จะไม่มีตัวที่จะดึงดวงวิญญาณให้กลับมาเกิดมามีร่างกายอีกต่อไปเออไม่ต้องมีไม่ต้องมีการเกิดการแก่การเจ็บการตายไม่มีความทุกข์ตามมาอีกต่อไปนี่การที่เราจะภาวนาได้ก็ต้องมีศีลเป็นผู้เปิดทางให้กับเรา เพราะถ้าเราไม่ถือศีลแปดศีลของนักบวชเราจะไปภาวนากันไม่ได้เราจะไม่มีเวลาเพราะถ้าเราไม่ถือศีลแปดเดี๋ยวเราก็มีเรื่องที่จะดึงให้เราไปเสพกามกันนั่นเองเดี๋ยววันเกิดเพื่อนก็ชวนให้เราไปกินเลี้ยงวันแต่งงานวันอะไรไม่มีวันก็มีเรื่องให้เราคิดกันที่นั่นมี ดนตีการแสดงโดนตีที่นั่นมีการแสดงละครที่นั่นมีอะไรให้ดูให้กินให้ดื่มมีเรื่องดึงดูดใจของพวกเราอยู่ตลอดเวลาถ้าเราไม่ถือศีลแปะเราก็จะไม่มีอะไรมาห้ามใจเรานั่นเองเราก็จะไปทันที พอเพื่อนโทรมาไปไหมไปเลย อ, อยู่บ้านแล้วมันรู้สึกไงเหงาไหมว้าเวหวะวังเวงไหมเบื่อหน่ายั้มหงุดหงิดไหมอพอมีคนมาชวนไปข้างนอกนี้ไปเลยอพอไปแล้วรู้สึกเบิกบานขึ้นมาท่านบอกว่าเวลาไปเหมือนไก่บินนะเวลากลับเหมือนเหมือนหากินนะพอกลับบ้านนี้เศร้าเลยขอภาพกลับมา เวลาออกจากบ้านโอ้ยเตรียมเนื้อเตรียมตัวแต่งเนื้อแต่งตัวกันอย่างสุดๆเลยะ <c oughs> น, นะเนี่คนที่ชอบเสพกามันเป็นอย่างนี้พอมีเหตุให้ใจเสพกามมันก็จะเป็นเหมือนไก่บินเตรียมบินทันทีพอถูกจับเข้ากรงมันก็เหมือนถูกหากิน <c oughs> นี่นะั้นการที่เราจะมาหยุดกามตัณหาได้เนี่ยเราต้อง มีมาตรการช่วยเหลือเราเปิดทางให้กับเรามาตรการอันแรกก็คือเนี่ยต้องรักษาศีลแปดกันขึ้นไปไม่ศีลแปดก็ศีลสิบศีลสองร้อยยิบเจ็ดบางคนก็ไปบวชเลยบวชบัญชีบวเชบวเป็นพระไปเลยถ้ายังบวชไม่ได้ก็เป็นเป็นพระเป็นชีแบบชั่วคราวไปก่อนก็ได้บางคนก็เป็นแบบไปเช้าเย็นกลับ บางคนก็ไปแบบทีละสามวันบ้างห้าวันบ้างเจ็ดวันบ้างอันนี้เป็นการไปอยู่จําศีลกันอซือ้อศีลแปดกันพอไปอยู่จําศีลแล้วทีนี้มันก็จะมีเวลาว่างให้เรามาภาวนาได้นะถ้าเราไม่ถือศีลแปดถือเพียงแต่ศีลห้าเดี๋ยวก็มีเรื่องชวนให้เราออกนอกบ้านให้เราไปเที่ยวกันให้เราไปเสพกาม ก, กันนั่นเอง แต่พอถือสีหน้าแล้วใครมาชวนก็ไปไม่ได้นะมีข่าวว่ามีการแสดงที่นั่นที่นี่ก็ไปไม่ได้นะพอะตอนนี้ถือสีแปดห้ามดูหนังดูละครมหรศลพ บ, บันเทิงต่างๆห้ามแต่งเนื้อแต่งตัวห้ามร่วมหลับนอนกับแฟนห้ามกินห้ามดื่มหลังจากเชี่ยงวันไปแล้วดื่มได้ก็ดื่มแต่น้าเปล่า ไม่ให้เสจรูปเสียงกลิ่นลดจากการดื่มจากการรับประทานให้ดื่มไม่รับประทานเพื่อเลี้ยงดูร่างกายได้แต่ก็ไม่เกินเที่ยงวันไปก็พอเพียงต่อการเลี้ยงดูร่างกาย น, า น, นี้คือมาตรการนันแรกที่จะช่วยให้เราได้มีเวลามาภาวนามาทำใจให้สงบแล้วก็ผลิตความสุข แบบใหม่ขึ้นมาที่จะทำให้เราไม่ต้องไปเสพความสุขแบบเก่าอีกต่อไปคือความสุขที่เกิดจากการเสพกามเสพรูปเสียงกลิ่นรสนั่นเองเราต้องมาสร้างความสุขแบบใหม่ความสุขที่ได้จากการเสปรูปประชานมาทำสมาธิกันเบื้องต้นเราต้องอาศัยรูปประชานเป็นเครื่องมือ ในการที่จะพาให้เราออกจากกามกันออกจากกามมาสุขเปลี่ยนวิธีหาความสุขจากการเสพรูปเสียงกลิ่นลดผลธภามาเสพสันติสุขคือความสงบมาเสบความสุขที่เหนือกว่าความสุขของกามากามาสุขนัตถิสันติปลังสุขขังสุขที่สุขอื่นที่เหนือกว่าความสงบไม่มีสุขของกามมาสุขนี้ สู้ความสุขของความสงบไม่ได้นี่คือเบื้องต้นเราต้องมาสร้างความสงบสร้างความสุขที่เกิดจากความสงบให้ได้ก่อนไม่ว่าจะเป็นความสุขระดับรูปประชานก็ได้หรือระดับอรูปประชานก็ได้ต่างกันตรงที่ความสุขของอรูปประชานนี้ละเอียดและสุขมากกว่าความสุขของรูปประชานหรืออรูปประชาน แต่ก็เป็นความสงบเหมือนกันแต่เป็นความสงบคนละระดับกันเท่านั้นเองความสงบของรูปฌปานนี้สงบน้อยกว่าความสงบของอารูปฌปานเราสามารถใช้ความสงบสองรูปแบบนี้มาทดแทนการเสพรูปเสียงกลิ่นลดผลทพพาได้พอเวลาใดเราอยากจะมีความสุข แทนที่เราจะไปเสบรูปเสียงกลิ่นรสเราก็ไปนั่งสมาธิกันไปเข้าฌานกันเข้ารูปฌปานได้ก็เข้ารูปฌปานเข้าอาร ป, ประฌานไดก้ก็เข้าอาร ป, ประฌานไปขึ้นอยู่กับกำลังของสติที่จะทำให้จิตสงบมากหรือสงบน้อยถ้ามีสติมีกำลังมากก็สามารถทำให้จิตสงบได้มาก ถ้ามีกำลังน้อยก็ทำให้สงบได้น้อยแต่ก็จะทำให้มีความสุขทำให้ไม่ต้องไปเสพกามได้ไม่ต้องไปดูหนังฟังเพลงไม่ต้องไปไปดื่มไปรับไปทานไปงานเลี้ยงต่างๆได้นี่คือขั้น ท, ที่หนึ่งของการภาวนาคือการทำใจให้สงบ การทำใจให้สงบด้วยการเจริญสติด้วยการมีศีลแปดเป็นผู้เปิดประตูเปิดทางให้ถ้าไม่ถือศีลแปดเดี๋ยวจะไม่มีเวลาไปภาวนาถ้าถือศีลแปดแล้วจะมีเวลาเมื่อมีเวลาแล้วก็ต้องไปหาสถานที่ที่เอื้อต่อการภาวนา ที่ต้องเงียบๆที่ต้องห่างไกลาจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆห่างไกลาจากสังคมห่างไกลาจากผู้คนที่จะมาคอยดึงดูดใจให้กลับไปหาความสุขในรูปแบบของกามาสุขต้องไปเปลีกววิเวก แล้วก็ต้องไปอยู่คนเดียวอย่าไปคลุกคลีกันถ้ามาคลุกคลีกันก็เฉพาะเวลาที่จำจำทากิจที่จําเป็นเช่นมาฟังธรรมเอก็มาคลุกคลีกันได้ชั่วคราวหรือเวลารับประทานอาหารก็มาคลุกคลีกันได้ชั่วคราวหรือเวลามาช่วยกันทําความสะอาดของสถานที่ก็มาคลุกคลีกันได้ชั่วคราว แา่ขณะที่ทำภารกิจก็จะไม่ส่งจิตออกข้างนอกจะให้จิตนี้อยู่กับภารกิจที่กำลังทำอยู่ไม่ให้ส่งจิตไปหาคนนั้นคนนี้แล้วก็ไปพูดไปคุยกันต่างคนต่างทำหน้าที่ของตนไปให้มีสติคอยควบคุมความคิดเพราะความคิดนี่แหละที่จะทำให้จิตไม่สงบไม่มีความสุข ถ้ามีสติคอยควบคุมความคิดคอยบังคับให้อยู่กับภารกิจที่กำลังทำอยู่เพียงอย่างเดียวจิตก็จะไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้และเวลากลับไปที่พักของตนเพื่อไปภาวนาเวลานั่งสมาธิจิตก็จะเข้าฌานได้อย่างง่ายดายรวดเร็วนี่คือมาตรการ ที่ตามมาหลังจากที่ถือศีลแปดแล้วก็ต้องไปปีกวิเวกไปหาสถานที่ที่สงบสงดัดที่ห่างไกลจากแสงสีเสียงและถ้าไปอยู่ในที่มีนักปฏิบัติหลายคนอยู่ร่วมกัน ก็ต้องไม่คลุกคลีกันต้องแยกกันอยู่อ ย, อย่าจับกอย่าจับกลุ่มคุยกันอย่าตั้งวงเดิมน้ำชากาแฟกันสนทนาดินทาคนนั้นนินทาคนนี้วิพากวิจารเรื่องนั้นเรื่องนี้หรือแม้แต่สมัยนี้โทรศัพท์มือถือก็ไม่ควรที่จะเปิดถ้าเป็นไปได้ก็ฝากที่วัดที่สำนักเขาไว้ เก็บเอาไว้เพราะถ้าอยู่ใกล้มือแล้วเดี๋ยวมันคันขึ้นมามันจะทนไม่ไหวเก็บไว้สำหรับใช้เวลามีเหตุฉุกเฉินเช่นมีโครคภัยไข้เจ็บต้องไปต้องการความช่วยเหลือไปขอโทรศัพท์มาเปิดใช้เอาแต่ถ้าไม่มีความจำเป็นแล้วอย่าเอาเก็บไว้ใกล้ตัวเลยกว่าถ้าใจไม่แข็งพอ เดี๋ยวอดไม่ได้เดี๋ยวอยากจะรู้ว่าใครส่งข่าวมาบ้างหรือยังใครเป็นอะไรที่ไหนอย่างไรเนีมันก็เหมือนกลับไปอยู่บ้านมั น, มนไม่ได้มาอยู่วัดไม่ได้มาอยู่สำนักปฏิบัติมาอยู่แต่ร่างกายแต่ใจมันกลับไปบ้านแนละ้ว ใจมันไปยุ่งกับคนนั้นคนนี้ไปเกี่ยวข้องกับคนนั้นคนนี้ไปห่วงเรื่องของคนนั้นเรื่องของคนนี้แล้วถ้าเป็นอย่างนี้แล้วมันก็ไม่มีกระจิตกระใจที่จะมานั่งสมาธิมาเข้าฌานได้ดงนั้นต้องกำจัดสิ่งที่จะมาดึงดูดใจให้ออกจากการปฏิบัติไปเช่นโทรศัพท์มือถือหนังสือพิมพ์อะไรต่างๆถ้าจะอ่านหนังสือก็อ่านหนังสือธรรมะได้ ถ้าจะฟังทำก็ฟังก็ฟังทำมาได้อย่าไปฟังข่าวอย่าไปฟังเพลงพงอะไรต่างๆเหล่านั้นมันจะทำให้ไม่ได้มาเจริญสติไม่ได้มานั่งสมาธินั่นเองนะถ้าทำตามมาตรการเหล่านี้ได้จะมีเวลาภาวนาตลอดเวลาตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาก็เริ่มเจริญสติได้นะการเจริญสตินี้ก็เรียกว่าเป็นการภาวนาแนละ้ว สวดมนต์ไปในใจอิติปิโสไปเรื่อยๆเพื่อคบเป้าหมายคือควบคุมความคิดหยุดความคิดให้ได้อย่าปล่อยให้มันคิดนะพุโทโธไปก็ได้สวดอิติปิโสไปก็ได้เฝ้าดูกิจกรรมที่เรากำลังทำอยู่ก็ได้เพื่อไม่ให้ใจมันไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วพอไม่ต้องทำอะไรก็นั่งหลับตาพุโทโธไปก็ได้สวดลมสวดมนต์ไปก่อนก็ได้ถ้ายังดูลมไม่ได้ ถ้าดูลมได้ก็ดูลมไปเลยลมเข้าลมออกไปแล้วเดี๋ยวใจก็จะเข้าสู่สมาธิเข้าสู่ฌานได้พอใจสงบเข้าสู่อัปปนาสมาธิคือฌานสีไนดะ้ใจก็จะมีความสุขขึ้นมาใจจะเป็นหนึ่งสัก์ต่ว่ารู้ความคิดปรุงแต่งทั้งหลายยุติลงชั่วเกาว ตอนนั้นมีความสุขมากเป็นความสุขที่เหนือกว่าการมาสุขความสุขที่เหนือกว่าความสงบไม่มีความความสุขของการมาสุขน uh ี้เหนือกว่าความสุขของความสงบไม่มีก็จะทําให้ไม่สนใจกับเรื่องของการหาการมาสุขได้แต่มันยังไม่แต่ความอยากที่จะเสพการมาสุขยังไม่ได้รับการกําจัดเพราะว่ามันยัง ไม่ได้มีเครื่องมือกำจัดเครื่องมือที่จะกำจัดการมาสุขได้นี้ก็คือความอยากเสพการมาสุขได้ก็คือปัญญาที่จะต้องเกิดขึ้นในขั้นที่สองคือการภาวนาวิปั ส, สนาภาวนาในขั้นที่หนึ่งก็เอาความสงบเอารูปปัจจานารูปปานก่อนพยายามทำให้ชำนาญทำให้ค่องแค้่วว่องไวสามารถเข้าออก รูปประจานอรูปประชานได้ทุกเวลาที่ต้องการพอทำได้ชำานาญแล้วขั้นที่สองพอออกจากรูปประชานหรือออกจากอารูปประชานก็เริ่มเอาความคิดมาสอนใจทางปัญญาให้คิดว่าการเสพการหรือการเสพรูปประจานหรืออารูปประช า, ปปะชานนี้มันเป็นเหตุที่พาให้ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่เรื่อย ถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายเวลาเกิดความอยากจะเสพกามก็ต้องหยุดมันหยุดด้วยไตรลักษณ์เห็นว่าการไปเสพกามจะนำไปสู่สิ่งที่เป็นไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขงังอนัตตาสิ่งที่เราได้ไม่ว่าจะไปเกิดในกามมาพบมันก็จะมันก็จะได้ร่างกายที่จะต้องแก่เจ็บตายก็จะเป็นทุกข์เนี่ย การเสพรูปประชานอรูปประชานก็เหมือนกันพอกําลังของรูปประชานอรูปประชานหมดมันก็ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เพื่อมาเจริญรูปประชานอรูปประชานใหม่เหมือนกันก็ต้องอย่าไปเสพทั้งสามชนิดเนให้เสพความว่างเฉยๆให้อยู่เฉยๆอยู่กับความว่างถ้าใจมีสติ มีสมถะภาวนาใจอยู่กับความว่างได้ไม่ต้องเข้าสมาธิก็ได้ตัวที่มาทำให้จิตทุกข์จิตวุ่นวายไม่ใช่อะไรหรอกก็คือความอยากนี่เองเวลาไม่มีความอยากนี่ใจจะรู้สึกเย็นสบายไม่ต้องเข้าสมาธิก็ได้แต่พอเวลาเกิดความอยากขึ้นมาใจจะร้อนขึ้นมาทันที ก็ต้องใช้ปัญญาหรือวิปัสสนามาสอนใจว่าอย่าไปทำตามความอยากถึงแม้ว่าสิ่งที่เราอยากได้จะให้ความสุขกับเราแต่มันเป็นความสุขแบบชั่วคราวเป็นอนิจจงพอมันหมดมันก็จะกลายเป็นทุกข์ขังขึ้นมามันเป็นอนัตตามันไม่ได้เป็นของเราเราจะต้องคอยไปขอยืมมันมาอยู่เรื่อยๆมันจะไม่อยู่กับเราไปตลอดให้คิดอย่างนั้นแล้วเวลาอยากจะเสพกามก็ ไม่เสพได้เวลาอยากจะเสพรูปประชานก็ไม่เสพได้เวลาอยากจะเสพรูปประชานก็ไม่เสพได้ถ้าเห็นว่ามันเป็นไตรักเห็นว่ามันเป็นอนิจจังที่จะทำให้ความสุขที่ได้มากลายเป็นความทุกข์ต่อไปเวลามันเปลี่ยนไปเวลามันหมดไปมันจะไม่อยู่กับเราเป็นของเราไปตลอด พอเราตัดมันได้หมดแล้วนี้ความอยากที่เครอยากเสพรูปประชานเสพกามเสพอารูปประชานนี้ไม่มีแล้วสิ่งที่เราจะได้ก็คื อ, อความว่างที่เป็นความสงบแบบไม่มีวันหมดไม่มีวันเสื่อมนะเป็นความว่างความสงบที่ให้ความสุขกาจิตใจอย่างแท้จริงนะเรียกว่าเป็นความสุขของพระนิพพานนีนะ้เป็นความว่างของพระนิพพาน นิบบานังปละมังสุขังนิบบานังประมังสุญญั ง, ง, งผู้ที่จะมีบรมมีบรมสุขได้ต้องเสพแต่ความว่างเท่านั้นความว่างก็คือการไม่เสพรูปประการไม่เสพการมการการไม่เสพรูปประชานการไม่เสเพารูปประชานพอหยุดความอยากทั้งสามนี้ได้ จิตก็จะเสพความว่างแทนอยู่กับความว่างซึ่งเป็นความสงบที่แท้จริงเป็นความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่เป็นนิจจังสุขขังอัตตาที่จะอยู่เป็นของใจไปตลอดไม่มีอะไรที่จะมาเดินความสุขแบบนี้ไปจากใจได้เพราะความว่างมันไม่มีวันสิ้นสุดมันไม่มีวันเสื่อมมันว่างมันก็ว่างของไปตลอด เหตุที่ทำให้ใจไม่ว่างก็คือความหลงไปผลิตความอยากขึ้นมาเองนั่นเองแต่พอได้ใช้วิปัสสนาพัญญาสอนสอนใจว่าอย่าไปผลิตความอยากเพราะว่าสิ่งที่ไปอยากได้ไปเสพนั้นมันเป็นทุกข์มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจิตก็จะไม่มีวันที่จะมาผลิตความอยากที่จะอยากเสกกามเสพรูปประชานเสศปรูปประชานอีกต่อไป จิตก็จะว่างตลอดเวลาว่างว่างโดยที่ไม่มีความอยากว่างก็คือประสะจากความอยากทั้งสามปราศจากกามตัณหาภวะตัณหาวิภาวะตัณหาพอจิตว่างทุกก็ว่างทุกก็หายไปพอทุกหายไปสุขก็เข้ามาแทนที่สุขกับทุกของจิตนี่มันอยู่ด้วยกันไม่ได้มันอยู่คนละ มันอยู่กันคนละเวลากันเหมือนความมืดกับความสว่างมันอยู่ด้วยกันไม่ได้ถ้ามันมืดมันก็ไม่สว่างถ้ามันสว่างมันก็ไม่มืดจิตก็เหมือนกันถ้าจิตมันไม่ทุกข์มันก็สุขขึ้นมาจิตที่ไม่ทุกข์ก็เพราะว่าจิตไม่มีตัณหาความอยากนั่นเองไม่มีกามะตัณหาไม่มีภาวะตัณหาไม่มีวิภาวตัณหา จิตไม่ผลิตตัวที่ผลิตก า, มตารมัตตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาก็คือตัวจิตนี่ตัวที่สั่งให้จิตผลิตก็คืออวิชชาความหลงนี่ความไม่รู้ว่ า, าการมีกามะตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาเป็นการพาไปสู่ความทุกข์นั่นเองเอพอได้ปัญญารู้แล้วว่าผู้ที่จะพาให้ไปห า, หาความทุกข์ก็คือกามตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหา จิตก็ละผลิตเหมือนทนั้นเองจิตก็อยู่เฉยๆไม่ปรุงแต่งไปในทางกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาจิตก็ยังปรุงแต่งเรื่องราวต่างๆได้ตราบใดที่มันไม่ปรุงแต่งไปเรื่องทั้งสามนี้เท่านั้นเองจิตของพระพุทธเจ้าหลังจากนิพพานไปแล้วท่านก็ยังคิดปรุงแต่งอยู่แต่ท่านไม่คิดปรุงแต่งไปทางกามตัณหาภาวะตัณหาและวิภวะตัณหา ท่านปรุงแต่งไปในการแสดงธรรมนะการจะแสดงธรรมได้ก็ต้องใช้ความคิดปรุงแต่งในใจก่อ น, นก่อนที่พระเจ้าจ ะ, จะแสดงธรรมก็ต้องคิดก่อนว่าเอ้ยวันนี้จะพูดเรื่องอะไรดีแสดงธรรมครั้งแรกพูดเรื่องธรรมะจักดีไหมอดีก็แสดงไปแสดงมรรคแแสดงอริยสัจสแสดงตายละไปก็ต้องใช้ความคิดปรุงแต่ง แต่มันเป็นความคิดปรุงแต่งที่ไม่มาทําไม่มาสร้างความทุกข์ให้กับใจเพราะมันไม่ได้คิดเหมือนปุถุชนคิดปุถุชนคิดว่าวันนี้ทําอะไรดีไปเที่ยวที่ไหนดีไปดูหนังที่ไหนดีไปกินอะไรดีนะมันจะคิดแต่เรื่องราวเหล่านี้มันก็เลยเกิดความทุกข์ตลอดเวลาอยู่ไม่เป็นสุขกันพอคิดแล้วทีนี้ก็ตะเกียกตะกายแล้วสิคิดถึงขนมก็อยากจะกินขึ้นมาคิดถึงกาแฟก็อยากจะดื่มขึ้นมา แต่จิตของพระ อ, อริยเจ้าของพระพุทธเจ้าของพระหลานตถาวกไม่มีความคิดเหล่านี้ถึงแม้เวลาถึงเวลากินก็ไม่ได้คิดวอนจะกินนูน่นกินนี่มีอะไรก็กินมันตรงนั้นไม่ต้องไปคิดให้มันเสียเวลาใครยกมาอะไรให้มากินกินได้ก็กินไปเลยหมดเรื่องเพราะไม่ได้กินเพื่อความสุขกินเพื่อดับความหิวของร่างกายเท่านั้นเอง แต่ผู้ต้อช น, นี่จะคิดโอ้ยวันนี้ต้องกินอะไรดีถึงจะอร่อยถึงจะมีความสุขไข่ดาวดีไหมข้าวต้มดีไหมไ ม, มีเมนูหลากหลายให้คิดให้ปรงแต่งกัน แต่สำหรับพระพุทธเจ้าพระ อ, อรหันต์นี้ท่านไม่คิดเรื่องราวเหล่านี้ให้เสียเวลา <c oughs> ท่านจะคิดก็จะเพราะเวลาที่ท่านจะต้องมาสแสดงธรรมนั้นเอง <c oughs> หรือต้องตอบปัญหาพอมีคนถามปัญหาก็ต้องคิดถึงคำตอบที่จะมาตอบกัาแล้วความพิดเหล่านี้ไม่มีปัญหาไม่มีพิษมีภัยเพราะมันไม่ได้คิดไปตามกามตันหาภาวะตันหาหรือวิภาวะตันหา <c oughs> จิตของท่านว่างตลอดเวลา ว่างจากกามตัณหาว่างจากภ า, าวะตัณหาวิภาวะตัณหาจิตทันถึงสุขตลอดเวลาเพราะไม่มีความทุกตลอดเวลานั่นเองนี่แหละคือวิธีที่พวกเราจะใช้ในการมาบำบดัด มากำจัดความทุกข์ที่มีอยู่ในใจของพวกเราให้หมดสิ้นไปได้ต้องทำด้วยวิธีนี้ถ้าเราไปแก้ด้วยวิธีอื่นเวลาไม่สบายใจก็ไปเที่ยวกันไปดูหนังฟังเพลงกันไปหาแฟนกันมันก็แก้ได้เดี๋ยวเดียวเดี๋ยวความทุกข์ความไม่สบายใจก็กลับมาใหม่นี้ไม่ดีไปเจอความทุกข์ในขณะที่ไปหาสิ่งที่เราไปเที่ยวกันนั่นแหละไปเที่ยวเดี๋ยวก็ไปเจอเรื่องกับมีไปมีเรื่องกับคนที่ไปเที่ยวด้วยกันอีกก็ับนี ไปหาแฟนเดี๋ยวก็ไปทะเลาะ ก, กับแฟนนีกก็ม่มันไม่มีมันไม่ใช่เป็นวิธีที่จะกำจัดความทุกข์กำจัดความทุกข์ต้องมาหยุดความอยากทั้งสามตัวนี้หยุดกามาตัานหาภาวะตันหาและวิภาวะตันหาด้วยการบําเพ็ญส ม, มถภาวนาวิปัสนาภาวน า, วน า, า, วนาด้วยการรักษาศีลแปดด้วยการไปปลีกวิเวกด้วยการไม่คุกกีกันด้วยการมีสติอยู่ตลอดเวลา แล้วเราก็จะสามารถกำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดสิ้นไปได้ทำให้เราไม่ต้องมาทุกข์กับการเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปนี่คือเรื่องของวิธีบำบัดความทุกข์โดยวิธีของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาเลยวาฮาปุราปริปุเรนติสาคลัง เอวาเมวาอิโตทินังเปตานังอุปการปฏิอิทิตังปฏทิตังตุมหังคิปะเมวาสมิจจตุสัพเทปเรนตุสังกปาจันโทปนาระโสยทามณีโชติระโสยทาสัพพิตโยวิวัชฉันตุ สัพพะโรโควินัสสตุมาเตภวะโนอันตารายุสุขีทีขาโยโกภวะอภิวาธนสีลิตสานิจังวุฒาปจายโนจตารโหธรรมาวัฏานติอายุวันโอสุขังภาลั ลำดับต่อไปเป็นช่วงถามคำถามใครมีคำถามอะไรอยากจะถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เพราะเป็นช่วงที่สะดวกที่สุดพอหลังจากเลิกแล้วจะวุ่นวายโกลาหลไม่สะดวกที่จะตอบคำถามถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขยนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้ผู้ติดตามทางบ้านมีเท่าไหรท่ทาง Facebook a c e b o o k 5้ารอยห้าสบเอ็ดยูทูสองร้อยเก้าสิบวิทยออนไลน์เก้า 9, พูดฟังบนเขาร้อยหกสิบรวมทั้งหมดหนึ่งพันสิบคนครับอาจารย์มีคำถามก็เชิญถามได้เลยคำถามจากคุณหมอกควันเทวดาค่ะเป็นคนฟุ้งซ่านมากครับ จิตไม่เคยอยู่ภายในได้นานๆเลยครับมีอุบายไหนพอที่จะบังคับมันได้ง่ายขึ้นไหมครับกาบเรียนถามครับผม อ, อก็บริกรรมพุโทโธพุโทโธไปพอมันจะออกข้างนอกก็พุโทโธพุโทโธไปดึงมันไว้ อย่าปล่อยให้มันคิดพอคิดปั๊บมันจะออกไปทางตาหูจมูกนิ้วกายทันทีฉะนั้นต้องขยันพุทธโธพุทธโธบ่อยๆพุทธโธเรื่อยๆทั้งๆที่ยังไม่ฟุ้งก็ควรจะพุทธโธไปก่อนหัดไว้ก่อนพอเวลาฟุ้งจะได้ใช้พุทธโธได้ถ้าไม่หัดใช้พุทธโธเวลาฟุ้งมันพุดไม่ออกโทไม่ออกคำถามจากคุณธรรมนูนค่ะขออนุญาตเตียนถามว่าจิตเป็นตัวรู้ตัวคิด ไม่ใช่ร่างกายที่เป็นตัวคิดแล้วเพราะเหตุใดคนหนุ่มสาวกับคนมีอายุจึงได้คิดแตกต่างกันทำไมคนมีอายุได้คิดช้าลงครับขอบพระคุณครับคือความคิดนี่ไม่ได้อยู่ที่ร่างกายความคิดอยู่ที่ในใจที่ไม่ได้แก่ตามร่างกายแต่ร่างกายมันแก่มันก็ช้าลงไปตามธรรมชาติของมันมันลดเก่ากับลดใหม่ใช่หม รถใหม่เหยียบคันเร่งก็พุง่งปุ๊ดนะรถเก่าเหยียบไปติดพื้นมันก็ยังกึกกักกึกของมันอยู่เงี้เพราะมันเก่าแล้วมันตอบสนองคนขับไม่ได้คนขับคือจิตร่างกายคือรถยนต์คนขับสั่งให้มันวิ่งพุ๊ดป้านพุ๊ดป้านเหมือนตอนที่ซื้อมาใหม่ไม่ได้เพราะมันเก่า ร่างกายพอมันเก่ามันก็ชํารุดทุดโซมใช้มันขยับแข้งขยับขาแต่ละทีมันก็ต้องใช้กำลังมากต้องใช้เวลามากแต่จิตมันเร็วๆเร็วคนความคิดของคนแก่กับความคิดของคนหนุ่มสาวนี่เร็วเท่ากันแต่การตอบสนองของร่างกายต่างกันคำถามจากคุณอาจารีค่ะระหว่างหนึ่งการนั่งสมาธิแล้วได้ผลคือมีความสุขมาก มีสติสัมปชัญญะฉับไวและจิตสงบกับสองนั่งสมาธิแล้วได้ผลคือจิตสงบมีสติพอสมควรแต่ไม่รู้สึกสุขการนั่งสมาธิที่ถูกต้องต้องได้ผลแบบไหนเจ้าคะ่ะก็ต้องสุขเต็มที่มีสติเต็มที่แต่ยังไม่ได้เต็มที่ยังไม่สุขเต็มที่ก็ยังสอบก็เหมือนกับได้แค่สองจุดเนี่ย มันต้องเอาสี่จุดเนี่ยถ้าจะไปสู้กับกิเลสนี้ต้องสี่จุดถึงจะสู้กับกิเลสได้ถ้าสองจุดกิเลสก็ไปกินหมดคำถามจากคุณกำพลค่ะเรียนถามพระอาจารย์ครับธรรมะที่เราสามารถนำมาใช้และปฏิบตัติและในช่วงที่มีโรคภัยควรทำอย่างไรครับก็เนี่แหละขั้นแรกก็ฝึกสมาธิทาใจให้สงบนี่ พยายามลดความคิดถึงเรื่องโลกภัยไค้เจ็บให้น้อยลงไปคิดหรือไม่คิดมันก็มันถ้ามันจะมามันก็มาถ้ามันจะเป็นมันก็เป็นมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับความคิดของเรางั้นอย่าไปคิดถึงมันให้รู้ว่ามันมันจะมาหรือมันจะเป็นแล้วก็เตรียมเตรียมรับกับเหตุการณ์ไปสนใจไม่ต้องไปคิดมากคิดแล้วฟุ้งคิดแล้วเครียดหยุดมันด้วยสมาธิไปหยุดด้วยสติพุทโธไปนี่ขั้นที่หนึ่ง พอจิตสงบความทุกข์ที่เกิดจากความเครียดของเรื่องของโลกภยัยไข้เจ็บก็จะหายไปแต่มันจะหายไปเดี๋ยวเดียว เยอะพอกลับมาคิดใหม่มันก็เครียดใหม่เห็นต้องสองนให้มันคิดอีกวิธีคิดแบบไม่เครียดคิดว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่ตัวเรามันไม่ใช่ของเรามันเป็นคนรับใช้เราเหมือนคนใช้คนใช้มันไม่สบายเราไปเครียดไปกับเขารือเปล่ปาอย่างมากก็ช่วยเขารักษาโรงพยายบาลให้เขาไปแต่ถ้าเขาจะไม่สบายจะตายเราก็ไม่ได้ไปเดือดร้อนมากมายอะไรอย่างมากเราก็เดี๋ยวก็หาคนใช้ใหม่ได้ อันนี้ก็เหมือนกันร่างกายมันก็เป็นคนรับใช้เราเดี๋ยวถึงเวลามันก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยตามเวลาของมันไปถ้าเราช่วยมันได้ก็ช่วยมันไปแต่เราไม่ต้องไปเครียดกับมันถ้าช่วยไม่ได้เดี๋ยวก็เปลี่ยนคนใหม่ได้คนรับใช้ใหม่ดีกว่าเก่าคนนี้มันเก่ามันแก่แล้วเดี๋ยวเอาคนใหม่ดีกว่าเหมือนรถเก่าแล้วเปลี่ยนรถใหม่ดีกว่าให้คิดแบบนี้เรียกว่าวิปัสสนาร่างกายไม่ใช่ตัวเรา ความเจ็บไายได้ป่วยของร่างกายเราไม่ได้เจ็บด้วยเราเป็นคนใช้ร่างกายเป็นเหมือนคนขับรถรถเสียคนขับไม่ได้เสียไปกับรถนั้นคนขับไม่ต้องไปเครียดไม่ต้องไปวุ่นวายกับเรื่องของรถเนี่ยใจก็ไม่ต้องไปเครียดไปวุ่นวายกับเรื่องของร่างกายเลี้ยงดูมันไปตามอัตภาพรักษามันไปป้องกันมันไปตามกาลังเท่าที่จะ ท, ไทาได้ทาได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นจบ ถ้าจะเป็นก็ให้มันเป็นยอมเป็นแค่คิดว่ากูต้องเป็นแน่ๆมันจะได้หมดปัญหาไปมันจะเครียดอยู่เรื่อยโอ้ยตรงนี้มีเชื้อโรคบ้าตรงนี้มีเชื้อโรคบ่าโอ้ยมันมีรอบตัวเต็มไปหมดนะ นั้นคิดแบบยอมดีกว่ายอมหยุดเย็นอา้าวกูต้องเป็นแ น, น่ๆยอมเป็นว่ายอมแล้วจะได้ไม่ไม่ต่อสู้กับมันไม่ต้องไปเครียดกับมันใจก็จะได้เย็นแล้วมันจะเป็นไม่เป็นก็อีกเรื่องหนึ่งนะเป็นก็ไม่เป็นไรถ้าใจสงบแล้วเป็นก็หายเร็วด้วยร่างกายจะแข็งแรงใจสงบนี้จะทําให้ร่างกายแข็งแรงใจเครียดนี้จะทําให้ร่างกายอ่อนแอ โลกของความเครียดเนี่ยเป็นตัวที่ทาให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆขึ้นมาเพราะภูมิต้านทานของร่างกายมันลดน้อยลงเพราะความเครียดไปทำลายมัน่ถ้าเราไม่ไม่เครียดใจเราสงบนี่ใจเราจะมีพลังสู้กับโรคภัยไข้เจ็บดีไม่ดีโรคมันเข้ามาแล้วทำให้เราไม่สบายไม่ได้ก็มีคำถามจากคุณภูตะวันค่ะกลับม า, มาสการพระอาจารย์ค่ะขอถามว่า ถ้าไม่มีเวลาไปใส่บาทเราให้เงินแม่ค้าเขาไปฝากเขาใส่แทนอยากทราบว่าผลจะเป็นอย่างไรเจ้าคะก็ไม่แน่ไงว่าเขาจะไปใส่หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้จริงเมื่อไม่รู้จริงใจเราก็า จ, จะไม่รู้สึกมีความสุขว่าเราได้ใส่บาทจริงหรือเปล่าแต่ถ้าเราเชื่อมั่นว่าเขาทาให้เราจริงแล้วเร า, เราให้เขาทาแทนเรา เราก็จะได้ความสุขเหมือนกับตอนเ้าที่เราใส่เองแต่ถ้าเราไปคิดว่ากูทำนะมันจะไปทำอะไรก็เรื่องของมันถ้าพระไม่ได้กินก็ช่วยไม่ได้ <laughs> เราก็ได้บุญเหมือนกันได้บุญจากการที่เราเสียสละเงินทองไปแล้วเพียงแต่ว่าจะไปถึงผู้รับที่เราต้องการให้เขารับหรือเปล่าเท่านั้นอาจจะไม่ถึงแต่ถ้าเมื่อเรามีเหตุจําเป็นที่จะต้องฝากเขาก็ดีกว่าไม่ได้ทําฝากก็ทําไปอย่างมากคือเราได้บุญแน่ๆพอเราได้เสียเงินก้อนนี้ไปแล้วเพียงแต่ว่ามันจะไปถึงจุดคนที่เราต้องการให้มันไปหรือเปล่านั้นอันนี้เราก็ต้องทําใจ ว่าถ้าเขาซื้อสัตว์เขาก็จะทาตามที่เขารับปากถ้าก็ไม่ซื่อสัตว์ก็ถือว่าทำทากับหมาไปก็แล้วกันคำถามจากคุณวานิทค่ะ การทำบุญสร้างกุฏิถวายวัดได้บุญแบบไหนครับก็ได้แบบที่เราทำนนะสร้างบ้านก็ได้บ้านกลับมาให้อาหารก็ได้อาหารกลับมาชาติหน้าก็จะมีบ้านอยู่ไม่เป็นคนไร้ที่อยู่อาศัยให้อาหารเขาก็จะไม่อดอยากขาดแคลนทางด้านอาหารให้เสื้อผ้าก็จะไม่อดอยากขาดแคลนทางเสื้อผ้าน่นกฎแห่งกรรมมันบอกอย่างนั้นทาอะไรก็ได้อย่างนั้น ค่าเป็ดต่อไปก็ต้องกลับไปเป็นเป็ดให้เขาค่าค่าไก่ก็ต้องไปเกิดเป็นไก่แล้วค่าเนี่ยยิอย่าทำถ้าเราไม่ต้องการจะได้รับสิ่งที่เราไปทำไว้เนี่ยคำถามจากผู้ประสงค์ไม่ออกนามค่ะคำถามที่หนึ่งอุเบกขาเกิดได้ตั้งแต่ขั้นนั่งสมาธิรูปฌานได้ไหมคะนั่นแหละก็ต้องฌานสี่ขึ้นไปถึงได้อุเบกขาของแท้ของจริง ถ้ายังไม่ได้ก็เป็นของปลอมเช่นทําใจเฉยๆพยายามเฉยแต่กิเลสมันก็ไม่ยอมเฉยมันพยายามดินอยู่เรื่อยๆใครด่าเราพยายามเฉยๆแต่มันก็เดือดขึ้นมาเดือดขึ้นมาเนี่ยมันเฉยทางกายแต่ใจมันไม่เฉยอย่างนี้เรียกว่าอุเบกขาปลอมนะถ้าอุเบกขาจริงใครก็ด่าก็เฉยเย็นสบายเหมือนฟังเทศฟังธรรมไปเวะลาพระดา่าไม่ทําันไม่โกรธ เวลาพระเทศทาไม่โกรธพอคนอื่นเทศก็โกรธขึ้นมาทันทีคำถามที่สองค่ะการมีความอยากให้คนอื่นเป็นคนดีแบบที่เราต้องการจัดเป็นความอยากแบบไหนคะการมาราคะรูปราคะหรืออรูปราคะเจ้าค่ะ อ, อ๋อเป็นความอยากที่เียกว่าธรรมะไม่ใช่เป็นการมาราคะรูปราคะหรืออรูปราคะแต่เป็น ทรระความปรารถนาเป็นเมตตาอยากให้คนอื่นมีความสุขเป็นคนดีมีความสุขอันนี้เรียกว่าเมตตาไม่เป็นกิเลสแต่เป็นกิเลสต่อเมื่ออยากแล้วไม่ได้แล้วทำไม่ได้แล้วโกรธหรือเสียใจถึงจะเป็นกิเลสถ้าอยากแล้วถ้าเขาไม่เป็นตามที่เราอยากก็อย่าไปเสียใจก็ทาใจเป็นอุเบกขาไปว่าเป็นเรื่องของกรรมของเขาไป อันนี้ไม่มีคำถามหมดแล้วน ะ, ะ, ะมีใครอยากจะถามอีกไหมถ้าเดี๋ยวเลิกแล้วก็ห้ามเข้ามาถามนะเพราะว่าเดี๋ยวปิดร้านเจยต้องเก็บข้าวเก็บของอะไรต่างๆอีกมีเข้ามาอีกไหมไม่มีไม่มีนะนะไม่มีก็เอาแค่นี้ดานะพรคิดว่าพอสมควรเก่เวลา ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพิจิตพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความพ้นทุกข์ที่จะตามมาต่อไปโดยทั่วหน้ากาันเทอ